พระธรรมเทศนาแผ่นที่68ดลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่8มกราคม2558 ม, มีชื่อเรื่องว่าจะครบคนผ่านหรือจะครบบัณฑิต วันนี้เป็นวันที่8มกราคมพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันกําหนดการงานทำบุญบูชาคุณพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เลียนวรราโพอดีตเจ้าอาวาสวัดรัญญบันพศ ตำบลบ้านหม้ออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายแต่คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานมีท่านหลวงพ่อเล็กวัดป่านาขามได้จัดงานเพื่อบูชาพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อเล็กเป็นขนาดนี้ท่านก็เป็นเจ้าคนาอำเภออำเภอสังคมแล้วก็ท่านรู้พระคุณ คารวะน้อมกับคารวะหลวงปู่เหลียนที่เป็นพระอาจารย์ของท่านจะได้จัดงานขึ้นที่นี่แต่ถึงอย่างไงงานของวัดหลวงปู่ก็คงจะมีตามปกติแต่ที่นี่ก็ใครจะจัดขึ้นมาเพื่อบูชาพระคุณถ้าจะว่าไปแล้วก็คือไม่ผิดกฎ ก, ฎกติกาเพราะเหรุยขนาดพระพุทธเจ้า ท่านปรินิพานอยู่ที่ประเทศอินเดียวันมาวันวิสาขาบูชาพวกเราอยู่ในประเทศไทยร่วยู่ทั่วโลกประเทศไหนที่เคารบบูชาพระพุทธเจ้าพวกเราก็ได้จัดงานบูชาวันวิสาขาบูชาคือวันประชุมตัดรู้ปรินิพานของพระพุทธเจ้าได้ทุก แห่งคนพวกเราน้อมอขอรบบูชานี้ก็เหมือนกันน่ะถ้าเป็นเราเป็นศิษยานุศิษย์ทั้งหลายาที่เรารักเคารพในองค์หลวงปู่ครูบายจันองใดเราก็าจัดพิธีเรือว่าแสดงความเคารพในวัดหรือวันที่อยู่คนแต่ตามไปจริงก็ในสถานที่ที่องค์หลวงปู่ท่าน ดับขันหรือ ว, ว่าท่านมรณภาพหรือท่านจุตินิธพานอยู่วัดใดอันนั้นสิทธิานุสิทธตทั้งหลายก็ควรจะพร้อมกันไปแสดงความเคารพครวะในสถานที่นั้นเพื่อจะได้รู้ได้เห็นว่ามีความพร้อมเพียงสมัครีในบรรดาสิทธิานุสิทธิ์ทั้งหลายอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราที่ปรินิพพานอยู่ที่ ประเทศอินเดียพวกเราอยู่ในประเทศไทยก็ได้หลั่งไหลกันไปแสดงความเคารพคารวะในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่พระพุทธองค์ดับขันปรินิพานนี่ก็เหมือนกนนารคณะศิตยานุศิธย์ทางหลายที่ได้มารวมกันในวันนี้ก็แสดงออกซึงความเคารพคารวะในองคหลวงลปู่ที่ ท่านให้ที่ท่านได้เมตตาแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นทําคําสอนที่หลวงปู่แนะนำเพราะนั้นพวกเราจึงลำลึกถึงพระคุณของหลวงปู่เจตเองพร้อมกันมาแสดงออกถึงความเคารพสักการ ะ, ะในวันนี้แล้วก็พวกเราได้เริ่มต้นก็ได้ฟัง พระสงฆ์สวดพระปริตตมงคลจบลงไปแล้วก็ได้ถวายเจตุปัจจัยไตยธรรมพระสงฆ์วันนี้ก็รู้สึกว่าอกอุ่นพระสงฆ์ดูทวแล้วก็คงจะหลายร้อยอง น, นะแล้วก็พระสงฆ์ก็อนุโมทนาให้พรตอนนี้ไปพระสงฆ์ศรัทธาญาติโยมก็รัตนาทราบว่าโคศกบอกว่าจะมีการแสดงธรรมวันนี้สององค์ สองรูปหลวงพ่อองค์แรกแล้วก็หลวงพ่อวิสิตองค์ที่สองเพราะนั้นคณะสัทาญาติโยมเมื่อฟังของหลวงพ่อจบลงไปแล้วนะอย่าพึ่งลุกอย่าพึ่งนี้ไปที่ไหนนะให้ฟังองค์ที่สองซะกอ่อนเพราะว่านานทีปีหนนานทีพวกเราจะได้มาพร้อมกันฟังธรรมเทศนาแต่ละครั้งไม่ใช่ของหาได้ง่ายไม่ใช่ในเทศทุกวี่ทุกวัน นานๆจึงได้มีการแสดงทำและมีการจัดงานอย่างวันนี้เพราะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่พวกเราจะได้รวมกันร่วมกันฟังธรรมเทศนาแนวความคิดของครูบาอาจารย์กอ่อนที่แต่และองค์ที่ท่านจะได้นำทำคําสอนมาบอกกล่าวมาแนะนำสั่งสอนพี่นอ้องประชาชนไม่ใช่ว่าของคิดเดาเอาได้ง่าย ต้องการกรองไตรตรองว่าการแสดงธรรมหรือการจะพูดในคราวนี้จะพูดเรื่องอะไรถึงจะเข้ากับเหตุการณ์นีที่คณะรัทธ า, ญญาติโยมได้ฟังเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมาก 84,000 พระธรรมมะขันแต่ไม่รู้ว่าองค์ไหนจะหยิบยกจะหยิบเอาตรงไหนมาชี้แจงแสดงให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟัง ก็ไม่ใช่ของได้ง่ายๆบางทีก็พูดไปแล้วก็ไม่รู้ว่าพวกเราจะเป็นที่เข้าใจหรือพอใจหรือไม่เพราะนั้นการฟังธรรมในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านจึงบอกว่าผู้ฟังธรรมยอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้น บรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังอัดฟังธรรมฟังหลักเหตุผลก็จะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสอันนี้คือการฟังธรรมแล้วท่านจึงเน้นเป็นพระบาลีขึ้นมาว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังอ่า ถ้าคนจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าหากว่าไม่ได้ยินได้ฟังเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมานั้นเป็นของแปลกเพราะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าเทวาผู้สุดตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาใข้ควรพบควรสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้น มีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนต้องการกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้ ว, ว่าจินตามายะปัญญาภาวนามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อฟังเหตุและผลแล้วนำมาปฏิบัติจากนั้นพยายามทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบเด่ ง, ดงเดงเนี่ยเป็นหนึ่งแล้วนะแล้วนาจิตใจที่สงบนั้นละ่ะ นำมาพิจารณากันกรองไตรตรองเหตุและผลเรื่องราวที่มันเกิดหรือว่าเรื่องราวนั้นๆก็จะเกิดปัญญาที่แท้จริงเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นมาตั้งแต่ว่าอเนกสงแห่งการฟังธรรมหรือว่าออสุดตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามะยะปัญญาพวกเราท่านทั้งหลายคงจะพอรู้ในสรุปได้ว่า ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองจะเป็นองค์แสดงธรรมองค์ที่หนึ่งแ ล, ล้วก็หลวงพ่อพิชิตจะองค์แสดงธรรมเป็นองค์ที่สองเพราะฉะนั้นคณะสัตว์ไยญาติโย ม, ย ม, ยมถือโอกาสเดี๋นนี้หาโอกาสเดี๋นนี้หาได้ยากจ้า เ, เพราะฉะนั้นให้ตั้งใจฟังท่านจะแสดงเรื่องอะไรให้ฟังพวกเราก็จะได้นําไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของพวกเร า, าสรุปแล้วคือให้เป็นคนดี คิดดีทำดีพูดดีคนที่คิดดีทำดีพูดดีแล้วนะเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วมีแต่ความเจริญมีแต่ความผาสุกถ้าว่าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วเพราะไม่รู้ น, ะนี่แหละมีแต่ความหายนะมีแต่ความจิบหายมีแต่ความพุกเข้ามาสู่จิตการเป็นอยู่ของพวกเราเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะได้นำเข้าประเด็นแล้วนะที น, นีนะให้ตั้งใจฟัง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 บันดิตานันจเซวนาตีติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่พวกเราได้มารวมกันแสดงออกถึงความเคารพสักการะในพระเดชพระคุณเจ้าคุณทุธธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรราโพ เจ้าอาวาสวัดอรัญญบันโพธิ์ตำบลบ้านหม้ออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายแต่พวกเราได้มาจัดงานที่วัดป่านาขามวัดหลวงพ่อเล็กอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าววันนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันฟังธรรมหรือว่าเป็นวันลำลึกถึงหลวงปู่ที่มีพระ ค, คุณสาหรับพวกเราท่านทั้งหลายหลวงปู่เมื่อท่านจากไปแล้ว แต่ธรรมเทศนาของท่านใน MP3 พวกเราเปิดฟังเมื่อไหร่ธรรมเทศนาของท่านยังชัดแจยวยังเป็นพระธรรมคำสอนให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติยังเป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพราะเหตุว่าพระธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ไม่ใช่ว่าพวกเราจะได้ศึกษา หรือฟังได้ง่ายๆฉะนั้นองหลวงปู่ท่านได้เมตตาแนะนำสั่งสอนลูกพ่อเองก็ได้ฟัง M.P.3 สของหลวงปู่ท่านพูดในแนวปัจจุบันแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นลูกหลานคณะสัตยาติโยมทั้งหลายถ้าได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงปู่อย่างหลวงปู่เทศเทศรังสีก็เหมือนกัน แล้วปู่หลวงปู่เหลียญก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินธรรมเทศนาใน MP3 มพีสที่ท่านแสดงธรรมให้พวกเราท่านทั้งหลายนําเอามาฟังหลวงพ่อว่าเกิดประโยชน์ อ, อย่างพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าสุดตามยะปัญญาจินตามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราท่านทั้งหลายได้แสดงธรรมเทศนามากมายลหลายอยา่างท่านยกเรื่องทานบ้างเรื่องศีลบ้างเรื่องภาวนาบ้างให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเรื่องทานพวกเราอยู่ด้วยกันมากมายหลายคนถ้าหากว่าไม่มีน้าใจไม่มีการเสียสละต่างคนก็ต่างขี้ตีทีเหนียว อยู่แล้วก็ไม่แบ่งปันให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องให้วงศาคณายญาติให้มิตรสมัยหายให้ประเทศชาติบ้านเมืองอต่างคนก็ต่างไม่ยอมแบ่งปันให้กับใครๆพวกเราคิดดูซิว่าการอยู่ด้วยกันมากมายหลายกลุ่มหลายหมู่หลายคณะนั้นจะได้รับความสงบพรมเย็นเป็นสุขได้ไหมรับรองรับประกันได้เลยว่า หาความสงบสุขไม่ได้ในชุมชนและสังคมในกลุ่มๆนั้นๆแต่ขนาดสัตว์ที่ไร้ฉานมันยังมีการหาอะไรให้ลูกไอ้ทัวตัวที่ด้อยกว่าอย่างคุ้มครองมนุษย์ของเราก็เช่นเดียวกันนี่แหละการให้ทานทานะคือการให้คือการเสียสละเป็นเครื่องเชื่อมหรือว่าเป็นเครื่องให้ความร่มเย็นเป็นสุขต่อมนุษยชาต เรื่องศีลก็เหมือนกันศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเอ่อสำหรับศรัทธาญาติโยมครวัตญาติโยมทั้งหลายท่านก็ให้มีศีลห้าเป็นพื้นฐานถ้าคนเราไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมที่ดีการอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยความระแวงแคลงใจไม่รู้ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวของพวกเราเพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่มีศีลต่างคนก็ต่าง ที่จ้องที่จะทําร้ายทําลายซึ่งกันและกันไปนสถานที่ใดมีแต่หวาดผวามีแต่ความหาความสงบสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเรื่องศีลคือกฎหมายกฎระเบียบถ้าจะว่าไปเรื่องศีลนี่ไม่ใช่อื่นไกลนะคณะสัตยาญาตโยมศีลและวินัยเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบกับทางโลกก็คือกฎหมายกฎคุ้มครอง การอยู่ด้วยกันให้มีความร่มเย็นเป็นสุขอันนี้แหละคือสินแต่ว่าพวกเราเป็นผู้มีสินแล้วอยู่ด้วยกันมากน้อยมีแต่ความร่มเย็นเป็นจุขเว่านั้นขอให้พวกเราผู้พกท่านเรื่องสินนะสินและวินยัยยังมีอยู่ตราบใดพุทธศาสนาในศาสนาของพระพุทธเจ้า ก็ร่มเย็นเป็นสุขอยู่ตราบนั้นนีอันนี้ละเรื่องศินสินคุ้มครองแต่หลวงพ่อเองอยากจะเน้นหนักเรื่องของสินศินข้อที่3ที่จลงพ่อจะเน้นจุดนี้บางทีหลวงพ่อก็เน้นข้อที่1การฆ่าสัตว์การเบียดเบียนบางทีก็เน้น 2, เ, เรื่องข้อที่สองเรื่องอธินาทาน บางนีบ้บางทางก็นเน้นข้อที่สหรือข้อที่สี่ข้อที่ห้าบางทีเน้นข้อที่ห้าศินข้อที่หนะี่คืออหลังคาศาลาหลวงพ่อว่านะหลังคาบ้านหลังคาศาลาถ้าเราเไม่มีหลังคาบ้านไม่มีหลังคาเวลาฝนตกมาเราก็หาความสุขไม่ได้เวลาแดดออกมา ก็ร้อนเพราะอะไรเพราะไม่มีหลังคาสินข้อที่5ก็เช่นเดียวกันหลวงพ่อบอกว่าสินข้อที่5้าคือสินคุ้มของโลกทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขเพราะคนไม่ขาดจติตแหว่าคันชายาวฝิ่นเฮโรอีนคันยาบ้าอย่างนี้ถา้าคนขาดจติตแล้วจะหาความสงบจะหาความสุขไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนขาดจติต ถ้าเมื่อคนไม่ขาดสติเออรู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนสิ่งควรไม่ควรนะเออคือไม่ฆ่าเออคือสินข้อที่ห้าเออคือสินคุ้มพ่องคือคนไม่ขาดสติในเมื่อคนไม่ขาดสติจะทำอะไรก็สํเนึกได้วาอันนี้ควรไม่ควรถ้าคนขาดสติแล้วนะข้อที่หนึ่งก็ประจุย ฆ่าไข่คนใดเพราะคนขาดสติอทินนาธานขโมยไครก็ได้กาเมษุมิชัาจานประพฤติล่วงละล่วงเกินล่วงลวงะเมิดสามีภรรยาของใครก็ได้โก็หกไครก็ได้เพราะอะไรเพราะขาดสติเพราะฉนั้นศินข้อที่ห้าในสินหลังขาศินที่มิมงคลแต่ถ้าหากคนที่ไม่มีศินข้อที่ห้าแล้วคนขาดสติทําความเสียหายได้ทุกอย่างนะกะนัชธาญาติโยมนะ เนี่ยเราพ้อจะเน้นเรื่องสินข้อที่สามคือสินข้อที่สามนี่คือกาเมสุมิช um ัาจะเปรรถมณีสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีพร้อมกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในคืนในคราวนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศ น, น เ, เป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านวัน คืนเดือนปีวันไหนที่สะดวกท่านก็นสเสด็จรอบพระนคระท่านก็ทรงช้างที่สีขาวเออเสด็จรอบพระนครจุดแท้แต่พระองค์จ ะ, สะเสด็จเพราะว่าเป็นกรุงสวรรคีเป็นเมืองของพระเจ้าปเสณที่โกศลตอนนี้วันนั้นเขาตกแต่งพระนครเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ทูลเชิญพระเจ้าแผ่นดิน เสด็จรอบพนาขอดพระองค์ก็ใช้ขึ้นคอช้างสีขาวส า, างเผือกนะออคือสางช้างพราซาพราชาสนะางเผือกออแต่ที่นี้คนทั้งหลายคนทั้งหลายเขาก็ไล่คนออกจากถนนขนทางหนีออกไป เ, เป็นทางเสด็จแต่ทั้นพระเจ้าปเสนที่โกรธสนท่านก็ เสด็จเรียบพระนครพอพอเรียบพระนครไปคนทั้งหลายก็วิ่งหนีหนีทางมีแต่ข้ามีแต่บริวารของพระเจ้าแผ่นดินทหารตำรวจร้อมรอบไปแต่ทอนี้คนทั้งหลายก็ไปอยู่ในบ้านบ้างอยู่ในที่มุมบางบ้าง เ, เพื่อจะดูพระเจ้าแผ่นดินความ เสด็จของพระเจ้าปิ่ดินความสง่างามของกระบวนพระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระเจ้าป็นเศษเสด็จแต่นี้มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในชั้นสองของบ้านแต่นี้เขาก็เปิดหน้าต่างพอเปิดหน้าต่างพอเห็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าป็นเศฐพระเจ้าเป็นเศษก็มองขึ้นไปไปเห็นผู้หญิงคนนั้นอ่ะพอไปเห็นเท่านั้นล่ะผู้หญิงคนนั้นหลบ หลบหลบในบ้านนะ เ, เขาก็กลัวว่าคงจะมีอะไรนะกลัวอันตรายนะทันี้พระเจ้าปัดเสีนเห็นผู้หญิงคนนั้นในหน้าต่างเท่านั้นนะความกิเลสคือราคานะคือความกำหนัดมันวิ่งกระแทกตั้มเข้ามาในหัวใจของพระเจ้าปัดเสียนพนะ อ, อกระแทกเข้ามาที่พระเจ้าปัดเสีนก็น เกือบจะตกคอชาร์กเหมือนั ki> ้ะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะเรื่องการมกิเลสจากนั้นพระเจ้าปเสนก็เห็นเสร็จแล้วก็พยายามกลับมาถึงเวียงหวังมาเวียงหวังกระถามอมมาที่อยู่ใกล้ชิดว่าเมื่อเราเสด็จไปไปตรงนั้นน่ะเธอเห็นไหมบ้านหลังนั้นน่ะอมมาทก็เห็นครับ เราเห็นได้ขึ้นไปมองไ้เป็นหน้าต่างไหมมองขึ้นไปครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในนั้นใช่ไหมใช่ครับเออเป็นไงล่ะครับเขาก็สวยดีครับเออนั่นลหละไปไปถามดูสิเขามีสามีหรือยังถ้ามีสามีแล้วก็หรือไม่มีสามีบอกมากลับมาห า, าเราอัมาตย์ก็วิ่ง อจ้งไปก็ไปถามถามว่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็ว่าเขามีเขาแต่งงานแล้วมีสามีแล้วเขาก็มาบอกให้พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าปเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศ ล, ลไม่ไวายทั้งที่เขาบอกว่าเขามีสามีแล้วเนี่ยเพราะวาความความรักความกําหนัดในใจความใคร่ในใจมันมีอยู่ในใจของคนมีกิเลสใช่ะนั้นก็บอกว่าเาไป ไปบอกให้สามีเข้ามามาหา เ, เพราะว่าจะหาเรื่องใส่เขาเนี่ยจะหาเรื่องแล้วก็ใส่เขาแล้วก็จับเขาฆ่าเขาทิ้งอะ่ะไปหาบอกมาบอกสามีเข้ามาเอา ม, มาคนนี้ไปบอกไปบอกว่าไปพระเจ้าปัตเสนพระเจ้าแผ่นดินต้องการพบท่านไอ้หนุม่มคนนี้ไอ้สามีเนี่ยโอ้ตายเขานี่ฆ่าเนี่ยเขคงจะตายเพราะเมียและเขานี่ พระเจ้าปัญจินพ ร, ระเจ้าประสัยงคงจะมีเรื่องกับแม่บ้านของเราละข่าวนี่เขารู้เลยเอ่ทาไมเขาจะไม่รู้เพราะมันมันมีอะไรพอที่สุดเขาก็เรียกมาพระเจ้าประสัยก็บอกว่าเอาอให้เธอมาทําราชการอยู่ที่นี่นะอ่าเรียก็อาเอาเอาวุธให้รักษาการนะรักษาให้ดี เคยคล้ายๆว่าหาจะหาเรื่องใสว่าถ้าเขาทำผิดนิดหน่อยก็จะจับเขาแล้วก็สำเร็จโทษฆ่าทิ้งแล้วก็จะได้เอาเอาเมียเขามาเอาเอามาเป็น เ, เมียเข้าตัวเองลักษณะอย่างนั้นนี่แหละมันน่ากลัวนะพี่น้องจัตวาญาติโยมโลูกหลานนะเอจากนั้นก็ไปเอามาแล้วก็บุรุษคนนั้นเขาโคตรรู้นะเขาก็ทำดีที่สุดไม่ให้มีปัญหาอะไรเลยนะทำดีที่สุดพ่อเมื่อ เขาก็รู้แล้วว่าถ้าทําผิดเพื่ออะไรต้องตายแน่เพราะฉะนั้นเขาก็จะทำตีทุกจนหาเรื่องไม่ได้เลยพอหาเรื่องไปได้ทีนี้ก็เอเรียกเข้ามาอีกดีนะเอบุรอตให้เธอไปเอาดอกบัวอยู่นู่นเออใครเข้าไปหยู่ใกล้ที่สุดประมาณสี่ห้าโยศเอาดินเหนียวด้วยเอามาให้ทันให้ทันอาบน้ําของเรานะอถ้าไม่ทันอาบน้ําของเราไม่ได้นะเอ โทษโทษหนักนะ เ, เราสั่งจากนั้นบุรุษคนนี้ก็พอได้ทราบพระเจ้าแพดินสั่งเท่านั้นแหละก็ออกจากเวียงวังเลยวิ่งทั้งวิ่งทั้งเดินนะไปหาแม่บ้านก็ไปถามว่าพนอาหารทำเสร็จหรือยังคืออาหารตอนเช้านะแม่บ้านก็ว่ายังยังไม่เสร็จ กำลังกำลังต้มกําลังเดือดอยู่ไปไปๆไ ป, ไปตักเอากระ b u o ตักเลยตักใส่ใบตองกล้วยเอาให้ครผมจะไปเดี๋ยวนี้รอไม่ได้แล้วปันทางไกลแล้วเกินที่จะไปเอ า, เอาดอกบัวกับดินเหนียวนะ อ, อยู่โน่นมันไกลแล้วเกินทางแม่บ้านเขาก็ทําตามพอตามมาตักใส่ให้แล้วพอจางดีแลก็ใส่ถุงแล้วกัน อหนุ่มคนนี้เดินอ้าวเลยตอนเออทั้งเดินทั้งวิ่งเพื่อจะให้ไปถึงที่นุ่นพอเดินไปข้าวอยู่ในข้าวอยู่ในที่ห่อไปนั่นทั้งที่มันอทั้งที่มันยังไม่สุกดีนะมันก็สุกไปตามที่มันอยู่ในถุงน่ะเอจากนั้นก็ไปถึงไปเห็นคนคนหนึ่งเขาเดินสวนทางมาดูดูดแล้วเขาอิดโรยเขาหิวอาหารเอตะแกนีรงก็เลย แบ่งไว้ส่วนหนึ่งและก็แบ่งให้คนให้คนคนนั้นด้วยเออเอาผมไม่ได้ไม่ใช่ของเดนนะนี่นะเออเป็นอาหารของผมผมแบ่งให้คุณส่วนหนึ่งผมกินส่วนหนึ่งอพอเสร็จแล้วก็ลงไปในท่าน้ำไปท่าน้ำเสร็จแล้วก็เอาข้าวที่มันเหลืออยู่นะกําหวานลงไปในให้ปลาในน้ำอีกนะ นี่เลยอันในสงทานเพียงแค่นั้นจัตตาญาตโยมนะอันในสงทานสาตูเนอข้าพเจ้าได้ทําทานแบ่งให้อาหารกับคนอันในสง์เป็นพันเพราะได้ทําบุญกับคนทำบุญทำทานกับคนอันในสงเป็นพันข้าพเจ้าได้ทําบุญกับปลาในน้ําอันในสงเป็นร้อยด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ดีดีแล้วนี้ขอให้ข้าพเจ้า อให้ข้าพเจ้าสําเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาโดยเท่าน้ข้าพเจ้าต้องการดอกอุบลกับดินเหนียวข้าพเจ้าถ้าผู้ใดก็ตามไปเอาดินเหนียวหรือดอกอุบลดอกบัวมาให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมอบบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้ให้กับท่านผู้นั้นพอประกาศเท่านั้นล้วพวกนาคทั้งหลายที่ได้ยินเขาก็อยากได้บุญน่ะใครๆก็อยากได้น้ำบุญนี่น่ะอเหมือนกับ เงื่นเหมือนกันเงินฮะใครใครก็อยากจะได้บุญเอจากนั้นเขาก็หน้าก็จําแรงตัวขึ้นมาเอท่านว่าไง่ายกับเออข้าพเจ้าทําบุญกับมนุษย์อันนี้สงฆ์เป็นพันข้าพเจ้าทําบุญกับหว่านอาหารลงไปในน้ําให้ปลากินอันนี้สงฆ์เป็นร้อยเพราะนั้นท่านผู้ใดไปเอาดอกโกมุตดอกอุบล แล้วก็ดินเหนียวมาให้ข้าไปเจ้าข้าไปเจ้าจะให้บุญกับผู้นั้นเอาได้นากว่าแบ่งให้แน่นะให้แน่ไอ้อน่า ก, ก็เลยจําแหลงไปเอาดอกอุบลดินเหนียวอย่างที่ต้องการมาให้พอมาให้แจะไ ด, ด้ชายคนนี้ได้พลก็เดินอ้าวเลยเออแต่ว่าพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าปเสนที่โกส่นนี่คนหาเรื่องใช่ไหมล่ะ อ, อพอมาถึงพอรู้ว่า เออวันนี้เรได้สั่งไอ้นี่ละเออถ้ามันเอามาได้จริงน่ยแต่จรงจริงถ้าเป็นคนเออออกมาไม่ได้แต่ถ้าเขาบอกมันมีฤทธิ์มีอํานาจมีเดชน่ยมันคงออกมาได้เพราะฉะนั้นเราจะปิดประตูเมืองเออตั้งแต่กลางวันที่เดียวเลยแต่ตามปกติหกโมงเขาจะเปิดปิดประตูเมืองแต่วันนั้นน่ยบ่ายสามบ่ายสี่ปิดประตูเมืองพอปิดเสร็จแล้ว อยังเอาลูกกุญแจกลับไปไว้ในเวียรวางอีกต่างหากฮะ เ, เพราะวางแผนจะฆ่าคนนะเพราะรักอชอบเมียของเขานี่ยนี่แหละมนุษย์ขนาดนั้นละพวกเราศรัทธาญาติโยมทางหลายอันนี้มาในพระไตรปิฎกนะนี่นะที่พระพุทธเจ้าที่มาท่านพูดไว้ในพระไตรปิฎกจากนั้นชายหนุ่มคนนั้นก็วิ่งเข้ามาทั้งเดินทั้งวิ่งพอมาถึงที่ไหนไดเ้เขาปิดประตูเมืองะ ใครเข้าว่าเป็นประตูเหมือกเป็นกำแพงสูงเอหนักชายคนนี้ก็บอกว่าโอ้ยผมมาถึงแล้วเมันยังไม่ข้ามผมขอเข้าเถอะผมเป็นราชทูตแต่คนเฝ้าประตูบอกเข้าไม่ได้เพราะพระเจ้าแผ่นดินเอาลูกกุญแจไปแล้วคุณที่ไหนเข้าไม่ได้วันนี้ อ, อคนนั้นเขาก็เลยเอาดอกบัวห้อยไว้ข้างประตูแล้วก็เหวี่ยงดินเหนียวข้ามกำแพงไป ข้าพเจ้าทําถูกทุกอย่างเออแต่แต่พระเจ้าแผ่นดินเอีคงจะหาโทษสําเร็จโทษข้าพเจ้าเพราะนั้นเออเทพเจ้าเราเทวามนุษย์ทั้งหลายท่านทั้งหลายเอจงฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้าทําไม่ได้ค่ํามาถึงพร้อมที่จะเอาเข้าเข้าไปถวายพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่าท่านปิดประตูจะแล้วเพราะว่าท่านั้นเด็มันก็เลย่ค่ำเด็ พอค่ำเทนี้ก็ไม่รู้จะนอนที่ไหนเทนี้เพราะมันหาที่นอนไม่ได้เ น, นี่ยบัดให้ก็คิดถึงพระเ ท, น, ทน่นะเทน่ะโดยมากคนที่ทุกข์ยากทุกออกทุกใจเนะี่ยคิดถึงพระนะกนัตถายาติโยมลูกหลานนะเออพอไปคิดไปถึงที่อื่นก็มีแต่เออมันไม่สุขก็คิดถึงวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารโอ้ถ้าเข้าไปพักกับพระเนี่ย ท่านพองอย่าคุ้มครองเพราะท่านเป็นผู้มีสินนะคิดถึงผู้มีศิลแล้วนะที่นี่นะชายคนนั้นอนะ่ะอางนันก็ไปพักกับพระ ส, สมอยู่ที่วัดป่าเชตะวันพอไปพักเสร็จแล้วก็คืน น, ะ น, น, นั้นกะ็นอนเนี่ยนะนอนทั้งหลับทั้งตื่นเนะ่ยเพราะว่ามันอะไรจะเกิดขึ้นในวันพุ่งนี้ฮะส่วนพระเจ้าปเสนที่โกศลเนี่ยก็พอนอนไปเลยก็คิดเออวันพุ่งนีออ้มันไม่มาละ เราพวกนี้มันมาแล้วก็ต้องจับสำเร็จโทษฆ่าจากนั้นก็คงไปเอาเมียมันมาเข้าเวียงหวังมาอยูออ่มาเป็นเมียของตัวเองลักษณะอย่างนั้นตอนนี้พอนอนไปทั้งหลับทั้งตื่นทั้งตื่นทั้งหลับเพราะคนมันคิดมากใช่หมละ่ะพอถึงเที่ยงคืนทะนี่พอถึงเทียเท่ยงคืนได้ยินเสียงเสียงแปลกขึ้นมาพอได้ยินเสียงแปลกขึ้นมา ประมาณทักวเที่ยงคืนพระเจ้าประเสนนอนไม่หลับเลยสินอนตาพรงเลยสินอนไม่หลับผอมันเสียงอะไรวะทําไมชัดขึ้นถึงขนาดนี้พอเธอได้ก็พอนอนไม่หลับพอตอนเช้ามาเธอเนก็ถามพวกโหรทั้งหลายเออเมื่อคืนเนี่ข้าได้ยินเสียงประมาณเที่ยงคืนมันเสียงอะไรวะมันจะเป็นอันตรายต่อเราหรือราชสมบัติ หรือบริษัทบริวารอย่างไรไหมมันเสียงชัดละเกิดเออเอาโหนเข้ามาวกคณะโหนทั้งทั้งหลายเข้ามาเออพวกหมอดูนะหมอดูหมอเดากหกโหนนะ่เออนนั้นก็ถามว่าเสียงอย่างไรครับพระเจ้าข่าเสียงที่ได้ยินเมนื่อคืนเที่ยงคืนเสียงอย่างไรครับมันได้ยินอยู่เสียง ส, สี่คำทษสาณโศ เ, ออเสียงเสียงโทสะนะโศ ส, สี่รับแต่นัก็หายเงียบไปมันรู้เสียงอะไรขอให้อาจารย์ดูที่ว่ามันจะเป็นเสียงอะไรทางพวกไ อ, อหมอดูี่ยกาทำท่าก้มหน้าคุ้นเค็ตเออโอเสียงอะไเสียงอันตรายมากเป็นอันตรายต่อราชสมบัติถือชีวิตพระองค์ด้วย เออพอหมอดูมันก็นเดาไปเรื่อยใช่ไหมไหนึ่งไหนที่คนจะเชื่อก็พูดไปแหละพระเจ้าแผ่นี้ก็ยังเสียกําลังใจอยู่แล้วกํำลังใจมันตกไปแล้วนะใครพูดขึ้นมาก็เชื่อหมดนี่เพราะเป็นผลผลหลวงอีกต่างหากเออแต่เด็กกับเจ้าไปนีิก็เชื่อเพราะเชื่อจะแก้ไขยังไงครับอ อ, อาจารย์โอ้ต้องบูชายันแล้วบูชายันมีอะไรบ้างครับ พระเจ้าประเสริก็ย่อเข้าไปแล้วเอาช้างร้อยตัวม้าร้อยตัวบัวร้อยตัวตัวผู้ร้อยตัวตัวเมียร้อยตัวเอ่อหมูร้อยตัวไก่ร้อยตัวหมา1้อยตัวม้าร้อยตัวคล้ายๆกับว่าถ้าจะเอาแต่สัตว์ที่กินได้กับเหมือนกับโอ้โหโหนนี่มีแต่เอาสัตว์มาเพื่อกินแต่นี้เขเลยโหนก็เลยบอกว่าเอาทั้งหมาด้วยอทั้งม้าด้วยเอาทั้ง ไอสัตว์ที่กินไม่ได้ด้วยแล้วก็เอาเด็กผู้หญิงร้อยคนผู้ชายร้อยคนอีกค่าบูชาจัอแล้วก็พระองค์จะค้พิษภัยเพราะว่าพิษภัยข่าวนี้ร้ายแรงนะถ้าหากว่าไม่บูไม่บูชายันไม่เอาเลือดอาจากคอสัตว์เหล่านี้มนุษย์เหล่านี้บูชายันแปลว่าราชสมบัติแตกกระจายเลยข่าวนี้ พระเจ้าประเจนก็กลัวเออถึงอย่างไงก็ต้องเอาตัวไว้ก่อนแล้ววะถึงใครจะเป็นยังไงก็ว่ากันไปเอาคนเอาตัวไว้ก่อนจากนั้นก็จับสิจับช้างจับม้าจับวัวจับควายจับอะไรมามัดเป็นฝูงฝูงฝูงฝูงเอาไว้จะได้จับคนมาด้วก็ไม่จับไม่ได้ทหารจับใครจะมาอลาวีอะไรไม่ได้เพราะทหารเขาจับมาเขามามัดมัดไว้โอ้เด็ก คนมันก็ร้องเลยทีเดี้ร้องโหมร้องให้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องจับคนลูกของเขาเนี่ยมาเพื่อจะตัดคอบูชายันเออเอาเลือดลงไปในหลุมพ<ม>อที่สุดก็เออในเมืองนะไปว่าโกราหลไปทุกแห่งผลเลยทีเียเออจะได้นางคนทั้งหลายก็จะเริ่มบูชากันเลย นางมันลิกาคืออัครมเหสีของพระเจ้าปเสนออกมาเธอได้ยินเอ๊ะมาเสียงอะไรทำไมโกลาหลขนาดนี้พราะธรามาถามที่ไหนได้เขาจะจับคนบูชายันจับสัตบูชายัในเย็นวันนี้นางมันลิกาก็เลยกราบทูลถามพระเจ้าปเสนว่าทำไมฆ่าคนอื่นแล้วจะเอาความสุขให้กับตนเองมันมีที่ไหนมันไม่มีนะมันมีในโลกใน ตอนที่จะให้คนความสุขคนอื่นและก็ความสุขนั้นก็นจะเข้ามาสู่ตัวเองอะ น, นี้เราจะไปให้ความทุกข์กับคนอื่นแล้วจะเอาความสุขมาให้ตนเองมันมีที่ไหนมันไม่เคยมีนยในประวัติศาสตร์ยุคในไหนมาทางปัญญาประเสริฐก็เอา้าคุณอย่าพูดนี่พรามโผลนเขาบอกว่าจ้องทาอย่างนี้ต้องบูชา ย, ยัญเท่านั้นนางมาเลกาบอกว่าจะไปเชื่อทําไมโผลนที่มีกิเลสโลรโปวดหลงน่ย ทำไมไม่ไปฟังคําทําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นสยามภูรู้แจ้งโลกทุกอยาก่างทําไมเราจะไม่ฟังโอ้ใช่เราก็ลืมไปไปไ ป, ไปกราบคุณพระพุทธเจ้าตัี้เป็นยังไงเอออั น, นี้เอาไว้ก่อนเออพระเจ้าประเสนก็ยังมัดไว้อยู่นะอยังไม่ยอมปล่อยก็ไปกราบ พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์มหาโมเพทมีอะไร โอ้ยข้าพระ อ, องค์นอนเมื่อคืนเนี่ยประมาณชัเที่ยงคืนได้ยินเสียงวัทุษณะนะโ ส, โสนะเกิดขึ้นข้าพระ อ, องค์นอนไปหลับก็เลยไปถามพวกพราหม์พวกโขนทั้งหลายเขาก็บอกว่าต้องบูชา ย, ยันพระ อ, องค์บอกว่ามหาพรผพิดอ น, นั้นมันผิดใช่แล้วที่พระ อ, องค์ได้ยินเมื่อคืนนี้นะรู้ไหมเป็น เสียงของสัตว์นรกสัตว์นรกมันมันพูดกันสัตว์นรกสี่คนสี่ตัวที่มันโคลขึ้นมาแต่มันพูดอะไรไม่ได้พูดในคนละคำํำคนหนึ่งสุกคนหนึ่งซาคนหนึ่งณคนหนึ่งโศนะ่สี่คนแต่รวมคําพูดเข้ามาแล้วก็คือข้าไปเจ้ารุ่มหลงในความชั่วข้าไปเจ้าจึงตกนลก เพราะนั้นเมื่อข้าพเจ้าพ้นจากนรกแล้วข้าพเจ้าจะเป็นคนดีถ้าแปลออกมาใค่อยๆจับมาปฏิติประต่อแล้วอจะเป็นคําพูดลักษณะอย่างนี้อพระเจ้าปเสนสมัยไหนพระเจ้าขพาทําไมสับนรกถึงตกนรกพระองค์บอกว่าในาศาสนาของพระพุทธเจ้ากัดส ป, ปะกัดส ป, ปะก็คือกากุสันโธองค์ที่หนึ่งโกัดกัด กากูชันโทโกณคมโนกัตสโปโคตมโมเคตโมคือพระโคตมคือพระพุทธเจ้ากัตสโปเนี่ยคือองค์กรที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้ากัจสโปกัตสปานี่คนในยุค น, นั้นอายุหมื่นถึงสองอายุยืนถึงสองหมื่นปีแต่เอ่อมีลูกเศรษฐีสี่คนอยู่ในกรุง อ, อยู่ในกรุงที่พระพุทธเจ้ากัตสป่าอุบัติขึ้น เศรษฐีสี่คนนี้คนหนึ่งว่าเออเราเกิดมาเรามีเงินมากว่าเราจะทํำยังไงคนหนึ่งว่าหน้าจะไปหาซื้อเหล้ามากินเลี้ยงกันตลอดไปคนหนึ่งว่าเอ๊น่าจะหาขนมอาอร่อยอร่อยมาเลี้ยงกันแต่คนหนึ่งบอกว่าโอ้ยควรจะหาผู้หญิงจะเป็นลูกเมียใครก็ตามแล้ถ้าใครไม่ต้องการเงินไม่มีหรอกคน เราเอาเงินเนะี่ยหวานไปเลยเ อ, อ่แล้วก็เอานั่นนะ่ะลูกเมียใครไม่ว่านะเอามาปนปือเราเฮดีไหมเศรษฐีลูกเศรษฐีทั้งสี่คนโอ้ใช่เห็นด้วยกันจากนั้นก็หวานเงินเลยเถนี้พราหวานเงินนะ่ะผู้หญิงผู้ย่าวผู้หญิงทั้งหลายก็เป็นพวนเลยเถนี้ทําแต่กรรมชั่วอายุถึงสองหมื่นปีนะทาแต่กรรมชั่วในเรื่องนี้แหละเป็นหลักเลย พราะฉะนั้นพอก็ตายจากภบนั้นชาตินั้นเขาลงสู่อเวจีมหานรกทีนี่พอลงจู่ อ, อเวจีมหานรกเออหลายหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นปีจากนั้นพ้นจากนรกอเวจีขึ้นมาโลหะกุมภีนรกอีกนรกที่ร้อนที่สุดเออเหมือนกับเหมือนกับเราต้มข้าวนะพอต้มข้าว เ, ออเม็ดข้าวมันลอยขึ้นมาข้างบนแล้วมันก็จมลงไปข้างล่างแล้วก็ลอยขึ้นมาข้างบนมันก็จมลงไปข้างล่างในขณะที่ลอยขึ้นมาในสามห0ื่นปีจากพื้นหมอกขึ้นมามาถึงปากนรกออกจากปากนรกลงไปอีกส 0,000 ปีไปถึงก้นหมอกนะไ ม, ไม่ใช่ธรรมดานะแต่ที่พอมันโผล่ขึ้นมามาถึงปากหมอกนะมาเห็นกันสัตว์นรกทั้งหลายเห็นกันสมคนมันจํากันได้ฮชนะ คนหนึ่งก็เราทุซ่าณโสหนึน่งกาวกาวกาวคนละคำกันพอกาวคนละคำกันลงดิ่งลงไปอีกเหมือนกับมเมล็ดข้าวอย่างที่ว่านลงไปสู่กน้นก้นหม้ออีกนี่แหละพระเจ้าเป็นเสียนได้ยินเที่ยงคื น, นคือสัตว์นรกในพูดขึ้นมาทุส่าณโสสามสา ม, สามอย่างพระองค์บอกว่ามันไม่ใช่ผลร้ายผลอะไรหรอกอคือกรรม กรรมจัดนรกแสดงให้เห็นเท่านั้นเองอแต่พระพุทธองค์ก็รู้ว่าพระเจ้าเปรตเ น, นี่ยหลงไหลอยากจะได้เมียของชายคนนั้น่ะจะฆ่าผัวเขาเพื่อจะเอาเมียเขาเนี่ยนี่แหละจัดนรกเลยแสดงให้พระเจ้าเปรตได้รู้ได้เห็นจากนั้นพญาเปรตก็เลยโอ้โหถ้าหากว่าข้าทํา อีกค่าองคงจะเป็นอิหลบหรือไปตามรอยไอ้คนนั่นแน่ๆเอาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่าพระเจ้าจะไม่คิดในเรื่องการเมสุมิชายานค่าพระเจ้าจะเป็นผู้ซื่อตรงต่อสามีภระระย า, าจะไม่ให้ผิดสินและข้อที่สโดยเด็ดขาดอันนี้ก็คือเมื่อพระเจ้าประเสริฐได้ยินเสร็จแล้วชายชายที่นอนอยู่ที่วัดปา่าเชตตะวัน ที่เป็นสามีของออีนางหญิงสาวคนนั้นเนี่ยกับโูดขึ้นมาในในเดียวนั้นเลยว่าโ อ, อ้พระเจ้าประเสริฐว่าเมื่อคืนนี้ข้าพระองค์นอนไปหลับรู้สึกว่าราตรียาวนานคนคนนั้นก็บอกว่าโอ้ผมเดินทางเมื่อวานนี่รู้สึกว่ายอดหนึ่งเป็นหนทางชื่อยืดยาวมากก่อนที่จะไปถึงได้โอ้โหเดินทาง นี่แหละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตราสขึ้นมาเป็นคำเป็นคาขมเ่เป็นคำที่พระพุทธองค์ตรัสว่าคนที่นอนไม่หลับรู้จึกรู้สึกว่าราตรีหนึ่งยาวนานคนที่เดินทางจนเมื่อยล้าแล้วรู้สึกว่าโยอหนึ่งเป็นหนทางที่ยืดยาวแต่ภาละชนเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสาร ยิ่งยาวนานกว่านั้นนอันนี้ฟังเขาไว้นะเอาละชนคือคนไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารยิ่งยาวนานกว่านั้นเนี่ยแหละพอพระเจ้าปรเสนได้รับฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นกลับไปก็ไไปปล่อยเอยปล่อยช้างปล่อยมา้าปล่อยวัวปล่อยค ย, ป ล, ยปล่อยคนทั้งหลายคนทั้งหลายก็โ อ, โอ้โอบโปโมทนาสาธูกา ถ้าหากว่าไม่มีพระเมธเจ้านางมาเลกามาเป็นผู้นำพ ร, พระเจ้าแผ่นดินเขาไปกราบพระพุทธเจ้าพวกเราเนี่โอ้ยอะไรจะเกิดขึ้นต่างคนก็ต่างยินดีอนุโมทนาเรื่องราวก็เลยจบเกมกันไปพระเจ้าปเสนก็นเลยเป็นคนละมัดระวังต่อไปนี่แหละอย่างที่ลกพ่อได้พูดได้พูดเบื้องต้นว่าไอเซวานา ญาบาลานังคือคนสามคนที่เป็นลูกเศรษฐีได้คบกันคบคนชั่วคบคนผ่านและก็ชวนกันไปในทางที่ผิดทั้งกินเหล้าชุลานาลเาีเพราะาตัวเองมีเงินเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกทำความชั่วเสีย ม, มากมายมหาศาลตกนโลกเสียอายุถึงหลายหมื่นปี เ, เดี๋ยวนี้ก็คงจะได้ขึ้นหรือยังไม่ได้ขึ้นก็ยังไม่ทราบเพื่อนกันเพราะจากนั้นมากว่าสองร้อยกว่าปีจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงธรรมในเรื่องนี้คิดว่าคงจะยังอยู่มั้งนะถ้าวันนั่งใครตั้งภาวานานเลยเออมองๆดูก็ได้แต่จะไปมองมองความชั่วของคนอื่นนะให้มองใจของตัวเองแต่ละวั น, นข้าพเจ้าคิดดีหรือข้าพเจ้าคิดชั่ว ข้าพเจ้าทำดีหรือข้าพเจ้าทำชั่วข้าพเจ้าพูดดีหรือข้าพเจ้าพูดชั่วนตรงนี้จะเกิดประโยชน์กว่านะไปดูคนอื่นเขาดูความชั่วของคนอื่นเขานะี่ก็เท่านั้นละ่ะไม่เห็นมีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะจตหาย า, าตโยมลูกหลานนะเีว่าพบคนผ่านอเซวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเซวนานี่ให้พบบัณฑิตนักปราช อยากนํ า, นามรดกาแนะนําพระพุทธพระเจ้าประเสนิที่โกรธสนเข้ามากราบพระพุทธเจ้าเนี่ยคือครบบัณฑิตท่านผู้มีปีชาสามารถเป็นผู้เปื้อนทุกให้กับพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละถ้าว่าครบกับบัณฑิตบัณฑิตจะแนะนําสั่งสอนนั้นอย่าอย่าทำนะนั้นอย่าคิดนะนั้นอย่าทํานะนั้นอย่าพูดนะถาาน้าท่านคิดจะท่านคิดท่านพูดท่านทํา กรรมชั่วจะตามสนองท่านเพราะนั้นกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสในโอวาทปฏิโมวกว่าอากตังดุกตังเสยโยปัจชาตะปฏิดุกกตังกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทํตลงไปแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นคำนี้ให้ฟังเอาไว้จะเป็นกรรม ชั่วสิ่งไหนก็ตามคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วในเรื่องอะไรก็ตามอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะทำลงไปแล้วเมื่อกำชั่วให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะรัทยาญาติโยมลูกหลานทุกคนอันนี้อธิบายแลอพูดกล่าวเรื่องของสินแนวความเป็นอยู่เรื่องกายสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศินคือศิลข้อที่สา อย่างที่หลวงพ่อได้อธิบายให้ฟังแต่หลวงพ่ออยากจะเน้นเรื่องภาวนาสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายด้วยการภาวนาคือทำจิตใจให้สงบคือพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้รับความยกจ่องอได้รับความยอมรับพระพุทธเจ้าได้รับความยอมรับจากบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายก็คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ที่โครนต้นโพในวันเดือนหกเพนเพระพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้อะไรนี่อันนี้พวกเราก็ควรจะศึกษาพราะพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ในวันเดือนหกเพนที่โครนต้นโพนั้นตอนหัวค่ําพระ อ, องค์นั่งสมาธินั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหันพระพักไปทางทิศ ต, ตะวันออกทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้า รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกในเมื่อพระ อ, องค์ทำจิตใจให้สงบพระไขยใจของอกรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งและเกิดญารรณทัศนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาในในขณะนั้นพระ อ, องค์ละลึกชาติผลหลังได้ปุปเพนิวาสานุสติญาณละลึกชาติผลหลังได้ เพราะฉะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้ข้ศราชกาญาติโยมลูกหลานฟังเอาไว้ให้สังเกตดูซิว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหล่ะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกถ้าพระพุทธเจ้าตายแล้วสูญพระพุทธองค์คงจะไอกว่าระลึกชาติผลหลังได้อันนี้พระพุทธองค์ระลึกชาติผลหลังได้แสดงว่าตายแล้วเกิดพวกเราแล้วตายแล้วเกิดทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ฟังเอาไว้ว่า พระองค์ได้ตัดรู้ในปฐมยามคือยามตอนหัวค่ําเนียเราว่าปุเพนี่ว่าสานุจติญาณะระลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนจุตู ป, ะ ป, ะปะต่าตายาดการจุติและการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายบวกเราท่านทั้งหลายจากที่ไหนมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่แล้วจะไปที่ไหนนี่แหละอันนี้เราว่าปุเพนี่ว่าสานุจติญาณะระลึกชาติผลหลังได้ พอถึงเที่ยงคืนจูตูปปาตยานดูสัพพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมาจากที่ไหนแต่ละคนมาด้วยเหตุผลอันใดทํากรรมดีได้รับดีทํากรรมชั่วได้รับชั่วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกพระองค์จึงตรัสว่ากรรมชั่วอย่าทําเฉยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วพวกท่านจะเดือดร้อนกรรมชั่วให้ผลพวกให้ผ ล, ลพวกท่านจะเป็นทุกข์นะพอถึงพอจวนสว่างพระองค์ก็ได้ ตัศรุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเออพระองค์รู้ได้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์แล้วเราไม่เกิดอีกแล้วเออสิ่งที่เราจะทำจะทําให้เราเกิดนั้นคือกิเลสราคะโทสะโมหะเรากําจัดออกจากใจของเราแล้วใจของเราบริสุทธิ์แล้วด้วยศินสมาธิปัญญานีจากนั้นพระองค์ก็ได้ ตัดจารุเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่แหละคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดจารุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพลยเพราะนั้นขอให้พวกเราขา้าราชการญาติโยมลูกหลานทุกคนนะให้ฟังเอาไว้ในเรื่องคือหลักธรรมคำสอนตอนนี้เรามาพูดถึงแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่นี่สายหลวงปู่มั่น มีหลวงปู่เทศหลวงปู่เหลียญหลวงปู่ต่างๆที่นำทำคำสอนของหลวงปู่มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรเนี่ยนี่แหละท่านคนแนกได้เอาทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาประพฤติปฏิบัติท่านมาเห็นนั่งภาวนาเอนั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วท่านก็จะได้รู้ว่ากายกับใจกายกับใจเนี่ยไม่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกัน ร่างกายกับหลวงพ่อได้เปรียบเทียบว่าร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันมันคนละอันกันแต่คนขับรถในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านให้ความสำคัญเรื่องคนขับรถมากกว่ารถเพราะว่าในหลักธรรมคำสอนที่ตรัสว่ามโนปุพังขมมาธรมามโนเสถา ม, มโนมายะ เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจถ้าจะเปรียบเทียบเพราะว่ า, วารถคันนี้โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยโซเฟอร์ถ้าโซเฟอร์นิสัยดีมีมารยาทก็จะขับรถไปสู่จุดหมายปลายทางถ้าโซเฟอร์กินเหล้าเมายาลุกโคลโ ค, โลโคโอยโขาดสติพอขึ้นขับรถแล้วกันนั้น เออบีบแรเออแล้วก็เหยียบดับชนดับผอได้สูตรคนนะบางทีเพอเพาอาจจะหักพวงมาลัยเหยียบคันเล็กลงข้างถนนชนที่ไหนก็ไม่รู้งเพราะอะไรเพราะโซเฟอร์นิสัยไม่ดีนิสัยไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมที่ดีเพราะนั้นเรื่องโซเฟอร์กับรถรกับโซเฟอร์ในลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนท่านจึงให นี่นรทำคำสอนให้โซเฟอร์เข้ามาสู่ให้ได้รับการอบรมถ้าโซเฟอร์ได้รับการอบรมดีแล้วจิตใจได้รับความได้รับการอบรมจากศีลธรรมดีแล้วคนคนนั้นมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไปอยู่นะิสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นหลักทมคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าที่ ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ร่างกายพระพุทธเจ้าไม่ใช่รถเป็นพระพุทธเจ้านะใจของพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระหันก็เหมือนกันไม่ใช่จักรกายของท่านจะเป็นพระหันใจของท่านรู้แจง้ง <Sí. S 2> เห็นจริงได้สําเร็จเป็นพระหันพอใจได้สําเร็จเป็นพระรหันแล้วกายก็เป็นพระรหันลูกน้องบริวารก็คือบริวารของพระหันเสนาชนะวัดวาศาสนาก็เป็นของพระรหัน เพราะนั้นเรื่องใจในหลักของพุทธศาสนาถือว่าใจเป็นสิ่งเป็นเรื่องที่สําคัญโซเฟอร์เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราสนใจศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาให้ทุกษาศึกษาในภาคปฏิบัติเรื่องกิจตภาวนาน ะ, ะแล้วก็เนี่ยเรื่องภาวนาที่สําคัญนะพุทโธน ะ, ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลุงปู่มั่นคอยภาวนาพุทโธนะลูกหลานเน้ พุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่พพระพุทธเจ้าจะมากำหนดลมหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าแต่หลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านว่าหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทให้ยึดพุทโธเมื่อยึดพุทโธใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ว่ากายกับใจใจกับกาย จะเห็นได้ชัดในความรู้สึกของตนเองเพราะธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมะปัจจัดตังรู้ได้เฉพาะตัวเออใครคนอื่นทำแทนไม่ได้เรื่องจิตโลนะเราทำเองเรารู้เอง เ, ออเราเห็นเอง เ, ออเรามั่นใจเองในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสัมโมทนายกถาก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา ที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษีเบื้องต้นว่าอเซวนาจะบาลานังบัณริตานั่นจะเซวนาอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นนิทานมาในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าปาราบถึงพระเจ้าปัเสนที่โกศลและกระชายหนุ่มลูกเศรษฐีสี่คนที่ใช้เงินใช้ทรัพย์สมบัติตัวเองไปในทางที่ไม่ถูก ปนปื้เรื่องออการมากิเลสผลในสูตรก็เนี่ยผลการคบค้าสมาคมในสี่สหายของเขาก็ตกนรกเอเวจีเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้คนที่หนักไปทางนั้นถึงจะยังไม่ตายก็เป็นที่ตำหนิติฉินนินทาของคนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อออกจากร่างกายนี้แล้วก็ไปสู่ความทุกข์อย่างที่ ชายหนุ่มสี่คนนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทท่านให้สำรวมระวังจากขนาดคิดเฉยๆก็ยังไม่ควรจะคิดนะแล้วก็พูดทำรรก็ให้ระเวงระวังในการกระทาเพราะนั้น เ, เรื่องอเซวนาจะพาลานังการครบคนผ่านมีแต่ผ่านไปหาผิดถ้าคบบัณฑิตจะจะพาไปหาผลคือความสุขความเจริญ เพราะนั้นในการกล่าวสมโภชธนิยกราในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตน์ไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่เหลียนที่พวกเราได้น้อมลำลึกทำบุญในวันนี้ขอให้มาคุ้มครองออพุทธรรมสงฆ์หลวงบา ร, รมีของหลวงปู่ขอให้มาคุ้มครอง พวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านด้วยเธนิน